Yasu Yasu สวัสดีครับท่านที่รักในห่วงใยใส่ใจสุขภาพท่านที่กําลังมองหาวิธีการในการที่จะทําให้ตัวเองมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงรวมไปถึงคนที่เจ็บป่วยมีโรคเรื้อรังคนที่กลัวกับโรคที่เรามไม่เห็นนะครับสวัสดีทุกทกท่านนะครับตอนนี้ผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันเช่นเคยนะครับเป็นเรื่องราวของสงครามระหว่างภูมิคุ้มกันกับเชื้อโรค ถ้าเกิดว่ามีการระบาดของโรคระบาดหรือว่ามีการพบเจอกับเชื้อโรคคุณต้องเป็นผู้ชนะนะครับคุณผู้ฟังครับโรคระบาดก็คือสงครามระหว่างภูุ่มคุ้มกันกับเชื้อโรคดีๆนี่เองด้วยเหตุที่ว่าความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ด้านสุขภาพมีการพัฒนาไปมากมนุษ รู้จักกับเชื้อโรคเกือบทุกชนิดเลยรู้นิสัยรู้กับการที่มันจะทําให้เกิดโรครู้วิธีการหลีกหนีไม่ให้เจอกับเชื้อโรคและรู้วิธีการกําจัดโรคเพื่อไม่ให้เกิดโรคไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยนะครับ แต่พฤติกรรมเหล่านี้มันดีก็จริงนะครับแต่ว่ามันก็เป็นหนทางของการปิดกัน้นการรู้จักกันระหว่างเชื้อโรคกับภูมิคุ้มกันทําให้ภูมิคุ้มกันของคนเราทุกวันนี้ได้พบได้เจอเชื้อโรคน้อยมากดังนั้นเมื่อมีเชื้อโรคใหม่ๆเข้าสู่ร่างกายจึงทําให้เกิดเป็นโรคระบาดได้ง่ายนั่นเองกองทัพภูมิคุ้มกันของคุณถูกลดทอนความสามารถภูมิคุ้มกันของคุณเรานะครับทำงานได้จากข้อมูลของเชื้อโรคดังนั้น ภูมิคุ้มกันจะต้องได้รับการเรียนรู้รู้จักรู้จักเชื้อโรคชนิดต่างๆดังจะเห็นได้จากการที่ลำไส้ของเรานั้นมีจุลินทรีย์เป็นจำนวนมากนะครับจุลินทรีย์เหล่านั้นคือตัวแทนของเชื้อโรคที่จะทําหน้าที่ในการเป็นครูสอนภูมิคุ้มกันของเราให้รู้จักกับโรคนั่นเองนะครับการที่คนเราใช้ยาปฏิชีวนะยาฆ่าเชื้อทําให้จุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้ต้องถูกทําลายไปด้วยนะครับ อีกทั้งคนเราทุกวันนี้ยังชอบบริโภคเนื้อสัตว์มากกว่าการบริโภคผักผลไม้นั่นเป็นเพราะว่าเนื้อเยื่อของพืชนะครับก็คืออาหารของจุลินทรีย์นั่นเองทําให้การดํารงอยู่ของจุลินทรีย์เป็นไปได้ยากลําบากจํานวนของจุลินทรีย์ก็จึงลดลงนะครับทําให้พลทหารของกองทัพภูมิคุ้มกันขาดความรู้และไม่มีครูในการที่จะสอนให้กับภูมิคุ้มกันของเรานี่จึงเป็นการลดทอนความสามารถของภูมิคุ้มกันโดยทางอ้อมนะครับ ความเครียดคือไส้สึกของร่างกายนะครับความเครียดคือโรงงานผลิตอนุมูลอิสระแต่การที่เครียดพองามนะครับมันก็ทําให้เกิดอนุมูลอิสระนิดหน่อยนะครับซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ในการทําลายเชื้อโรคให้กับร่างกายได้แต่ถ้าความเครียดมากเกินนะครับอนุมูลอิสระที่มากเกินไปมันก็จะไปกดภูมิคุ้มกันนะครับมันก็ไม่ต่างอะไรกับการเป็นไส้สึกเปิดทางให้ศัตรูเข้าสู่ร่างกายนะครับ นอกจากความเครียดของตัวเองแล้วนะครับทุกวันนี้มนุษย์เรายังเอาความเครียดจากสักเข้าไปช่วยกันกดภูมิคุ้มกันของตัวเองด้วยเปิดทางให้เกิดโรคสนับสนุนให้เชื้อโรคหรือมะเร็งทํางานได้ไวยิ่งขึ้นทําให้เกิดความยากลําบากต่อการรักษาโรคนะครับของทัพทหารภูมิคุ้มกันที่มีน้อยอยู่แล้วและถูกปิดกั้นการทํางานด้วยมันก็ไม่สามารถที่จะปกป้องโรคต่างๆให้กับร่างกายได้นะครับแม่ทัพในสงคราม ระหว่างภูมิคุ้มกันกับเชื้อโรคมีไม่พอนะครับคนเราเมื่อมีอายุมากขึ้นความเครียดการขาดการพักผ่อนการอยู่กับรังสีหรือสารเคมีก็จะทำให้จำนวนภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะมีจำนวนที่ลดลงนะครับโดยเฉพาะ NK เซลลหรือ n e t ธอรอนค l l เซลลนะครับถ้าเกิดว่ามีน้อยเกินไปมันก็ไม่สามารถที่จะป้องกันการติดโรคได้นะครับและยังจะส่งเสริมให้โรคเรื้อรังต่าง ในร่างกายที่เคยเป็นมาตั้งแต่สมัยวัยรุ่นมาลุกลามเอาในยามที่มีอายุมากซึ่งตอนที่มีอายุมากก็อย่างที่บอกนะครับว่าภูมิคุ้มกันลดลงโดยธรรมชาตินะครับลำพังการใช้ชีวิตแบบเดิมๆโดยทั่วไปที่เราเห็นชินกันอยู่ประจำ การเจ็บป่วยก็มักจะพูดว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่แท้ที่จริงแล้วการเจ็บป่วยไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับเพราะร่างกายของเรามีระบบภูมิคุ้มกันที่จะคอยป้องกันเชื้อโรคให้กับเราดังนั้นการเจ็บป่วยมันจึงไม่ใช่เรื่องปกติมันเป็นเรื่องผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันของเราที่ไม่อาจปกป้องเราจากเชื้อโรคได้นะครับวิถีชีวิตแนวใหม่ new normal นะครับการเพิ่มกิจกรรมบางอย่างเข้าสู่วิถีชีวิตของคุณเพื่อให้ร่างกายของคุณมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง ขอแนะนํานะครับฟ light ภูมิคุ้มกันธรรมชาติฟอร์ไลฟภูมิคุ้มกันธรรมชาติคือข้อมูลของเชื้อโรคจากธรรมชาติที่จะเข้าไปทดแทนการที่ภูมิคุ้มกันของคุณขาดข้อมูลจากจุลินทรีย์ที่ลดน้อยหรือจุลินทรีย์ที่มีไม่พอนะครับ คุณก็ยังคงใช้ชีวิตอยู่เป็นปกติของคุณนั่นแหละเพียงแต่ว่าเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของคุณเข้าไปด้วยการใช้โฟร์ไลท์ภูมิคุ้มกันธรรมชาติเติมเข้าไปสู่ร่างกายในทุกๆวันนะครับโชคดีแล้วนะครับที่คุณได้มารู้จักโฟร l ไลทภูมิคุ้มกันธรรมชาติโอกาสของการมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงของคุณมันเกิดขึ้นแล้วนะครับในอนาคตถ้าเกิดมีสงครามระหว่างภูมิคุ้มกันกับเชื้อโรคครั้งต่อไปนะครับคุณคือผู้ชนะ เพราะคุณได้บริโภคภูมิคุ้มกันธรรมชาติเข้าสู่ร่างกายนะครับต่อให้ศึกจากเชื้อโรคหรือโรคกระบาดจะรุนแรงสักแค่ไหนเชื่อไหมครับว่ามันจะรุนแรงได้กับคนที่มีภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอเท่านั้นส่วนคนที่มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงคนที่มีภูมิคุ้มกันธรรมชาติอยู่ในร่างกายที่เพียงพอมันไม่สามารถที่จะเกิดความรุนแรงได้นะครับโฟร์ไลท์ภูมิคุ้มกันธรรมชาติช่วยให้ร่างกายของคุณอุดมไปด้วยภูมิคุ้มกันธรรมชาตินะครับ คุณสามารถที่จะสั่งซื้อโฟรไล์ภูมิกู้แปนธรรมชาติได้ในเว็บไซต์นี้เลยนะครับหรือถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาต้องการอยากจะขอคำปรึกษาในเว็บไซต์นี้ ก็จะมีเบอร์โทรของผู้จำหน่ายอยู่โทรไปสอบถามกับเขาได้นะครับหรือว่าใครต้องการอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายอยากจะมีเพจ with y ออ o นไลน์เพื่อไปสร้างรายได้ให้กับตัวเองคุณก็สามารถที่จะสมัครเข้ามาได้นะครับถึงไม่ขายคุณก็มีรายได้นะครับแค่คุณมาแชร์หน้าเพจ with โอออนไลน์นะครับอ่าคุณแชร์ไปคุณยังขายไม่ได้แต่คุณแชร์ไปเยอะคุณก็จะมีรายได้จากยอดวิว ที่มีคนเข้ามาดูเว็บไซต์ของคุณนะครับถึงขายไม่ได้คุณก็ยังจะมีะไรายได้จากการแชร์อยู่นะครับหรือถ้าเกิดว่ามีการสั่งซื้อจากผู้ฟังนะครับที่เข้ามารับฟังจากผู้ชมที่เข้ามารับชมเว็บไซต์ของคุณนะครับถ้าเกิดมีการสั่งซื้อคุณก็ได้คอมมิชชั่นตามปกตินะครับขอบคุณสําหรับการรับฟังนะครับพบกันใหม่ในช่วงต่อไปนะครับช่วงนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ